ชีวิตด้วยความมุ่งมั่นและพระราชหฤทัยในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประสบนิกก่อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีอาชีพที่มั่นคงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร ม, มนาถบพิตรนอกจากการส่งเสริมด้านอาชีพแล้วน้ำคือปัจจัยสําคัญที่จะสร้างความเจริญงอกงามให้กับสับพรพชีวิต อ่างเก็บน้ําห้วยแก้วอําเภอสันทรายจเชียงใหม่จึงเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชน ก, กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งช่วยแก้วิกฤตน้ําแล้งและการขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการอุประโภคบริโภคและการเกษตรกรมทรัพยากรน้ําได้เข้ามาดําเนินการสร้างอ่างเก็บน้ํามีลักษณะเป็นเขื่อนดินสันเขื่อนกว้าง6เมตรสูง24เมตร ความยาว329เมตรช่วยเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ 2,180,000 ลูกบาทเมตรและสามารถระบายน้ำได้94ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมีระบบกระจายน้ำที่ช่วยส่งน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำโดยผ่านระบบท่อส่งน้ำที่มีความยาวถึง 12.4 กิโลเมตรประชาชนได้รับประโยชน์ใน4หมู่บ้านรวม950ครั ว, วรเรือนมีพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับประโยชน์ถึง 5,000 ไร่ปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วและชุมชนห้วยแก้วอำเภอสันทรายเป็นตัวอย่างความสำเร็จของกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำของชุมชนอย่างยั่งยืนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ท, ที่สิบที่ทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่มีอยู่ทั่วประเทศน้าคือชีวิตควรคิดก่อนใช้กรมทรัพยากรน้า ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรน้ำโทร1 3 1่งหกด5หรือ w w w d w r g o t h